ความไม่หวนคืนกลับมาและจะสำเร็จสำโพ์ในวันข้างหน้า156ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระไทยในโกติคามรับสั่งเรียกท่านพระอานน์มาตรัสว่ามาเถิดอานน์เราจะเข้าไปยังนาทิกคามกันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว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 ภิกษุสารหะมีมรณภาพในนาทิกคามมีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรภิกษุณีนันทาที่มรณภาพในนาทิกคามมีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรอุบาสกสุทตตที่ดับชีพในนาทิกคามมีคติเป็นอย่างไร มีพบหน้าเป็นอย่างไรอุบาสกกกคุทะที่ดับชีพในนาธิกาคามีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรอุบาสกการะริมภะอุบาสกนิกตะอุบาสกกติสหะอุบาสกตุถะอุบาสก สันตุธะอุบาสกพัตตอุบาสกสุพัตตที่ดับชีพในนาทิกาคามมีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรร5อห้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุสารหะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพิกษณุณีนันทาเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยตเบื้องต่ำหประการสิ้นไปปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกสุทัตะเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยตสามประการสิ้นไป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 เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปปริณิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกการริมพะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกนิกาตะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำหประการสิ้นไป ปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกกติสหเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยตเบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกตุถะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยตเบื้องต่ำห้าประการสิ้นไป ปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกสันตุถะเป็นโอปปาติกะเพระสังโยชนเบื้องต่ำหประการสิ้นไปปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกพตะเป็นโอปปาติกะเพระสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปปรินิพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกสุภตะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการสิ้นไปปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกในนาธิกคามอีกห้าสิบคนดับชีพแล้วเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชนเบื้องต่ำห้าประการสิ้นไป ปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกในนาธิกาคามอีก96คนดับชีพแล้วเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปและเพราะราคาโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุบาสก ในนาธิกาคามอีกห้าร้อยสิบคนดับชีพแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรม1 5อาอานนท์ ข้อที่บุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้วดับชีพนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เมื่อผู้นั้นผู้นั้นดับชีพแล้วพวกเธอเข้ามาหาตถาคตถามเรื่องนั้นนั่นเป็นการรบกวนตถาคตฉะนั้นเราจะแสดงหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรมเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้เมื่อประสงค์ก็จะพึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตนเองว่า เราหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในนรกหมดสิ้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานหมดสิ้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในแดนเปรตหมดสิ้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโพ์ในวันข้างหน้า ร้อหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรมเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้เมื่อประสงค์ก็จะพึงพยากรณ์ได้ด้วยตนเองว่าเราหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในนรกหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในแดนเปรตหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในอบาย ทุกติและวินิบาทแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตา ม, มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพ์ในวันข้างหน้าคืออะไรคือพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้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 ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนามบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่รลอยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิอาโนนนี่แหละคือหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรม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 เราเป็นพระโสดาบานันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพสในวันข้างหน้าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ในตำนนหนักอิฐในนาทิกะคามนั้นทรงแสดงธรรมมีกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอสวะทั้งหลายคือกามาสะวะ ภาวาสวะและอวิชาสวะ